ถามบางท่านเรียกร้องให้ชาวบ้านสงบปากสงบคําและปล่อยให้พระเคลียร์กันเองจะดีกว่าไหมในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนข้อวินัยจํานวนมากเกิดขึ้นโดยคารวาะคือชาวบ้านชาวเมืองที่เห็นภิกษุทําอะไรขัดตาไม่ควรแก่สมณะสารูปก็พากันเข้าไปร้องเรียนกับพระพุทธเจ้าซึ่งเกือบร้อยทั้งร้อยของข้อเรียกร้องประสบความสําเร็จ พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยขึ้นมาอาศัยการเรียกร้องของชาวบ้านนั่นเองฉะนั้นคงไม่ใช่สิ่งที่เราควรกล่าวว่าปล่อยให้นี่เป็นเรื่องของพระเพราะเรื่องของพระคือความเป็นความตายของพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าก็ฝากให้พุทธบริษัทสีเป็นผู้ดูแลความเป็นความตายของพุทธศาสนากล่าวคืออุบาสกอุบาสิกาตาดำๆนอกวัดต้องร่วมดูแลด้วยอย่างน้อยก็คอยสอดส่องพระไม่ดี ตลอดจนคอยให้การสนับสนุนพระดีทั้งทางตรงและทางอ้อมการตั้งข้อสังเกตไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับหลวงพ่อปราโมทจึงอยู่ในวิสัยค า, ารวาที่พบว่าท่านผิดจริงจะได้พยายามตีค้องร้องเปล่าเนื่องจากท่านเป็นพระดังมีอิทธิพลกระทบกับพระศาสนาอย่างใหญ่หลวงหากไม่ช่วยกันตั้งข้อสังเกตอาจเหมือนปล่อยให้ทาอะไรก็ได้กระทบศาสนาถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ แต่การเอาผิดหลวงพ่อปราโมทให้ได้เป็นเรื่องของสงฆ์ที่ต้องดำเนินการกันอย่างชัดเจนหลวงพ่อปราโมทประกาศอยู่ว่าถ้าเห็นท่านผิดพลาดให้สงฆ์ตั้งอธิกรณ์ขึ้นมาจะได้เป็นที่รู้ผลโดยกระบวนการยุติธรรมทางสงฆ์แต่เรื่องที่มีมาเกิดจากการลงความเห็นของคนกลุ่มเดียวและพยายามใช้ขอบเขตอานาจของตนในการกดดันให้ท่านถอดจีวรทิ้งอ้างว่า ถาเพื่อความชอบธรรมเพราะเห็นท่านเป็นอันตรายและรอขั้นตอนไม่ได้นับว่าไม่ให้ความยุติธรรมใดๆแก่ท่านเลยถามอย่างไรก็เห็นค้านไม่อาจมองว่าหลวงพ่อปราโมทสร้างชื่อให้ครูบาอาจารย์เพราะท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ให้คำรับรองท่าน เรื่องที่ว่าครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อปราโมทได้ให้คำนิยมไว้อย่างไรเป็นเรื่องรู้เฉพาะท่านกับครูบาอาจารย์ตลอดจนคนที่อยู่พร้อมหน้ากันในขณะนั้นๆเรารู้เฉพาะที่ว่าคนยุคนี้สมัยนี้รู้จักใครแล้วได้อะไรบ้างบทบอกอชบับก่อนไม่ได้อยากช่วยอวดอ้างว่าท่านสร้างชื่อให้อาจารย์แต่เนื่องจากเป็นข้อหาใหญ่คือการกล่าวว่าหลวงพ่อปราโมทวางแผนขึ้นมามีอานาจ ด้วยวิธีแอปอ้างชื่อเสียงของพระป่าต่างๆผมจึงอาศัยมุมมองรู้สึกของท่านหลายต่อหลายคนที่เห็นคานเพราะเดิมทีพวกเขาไม่รู้จักหลวงปู่ดูลหรือหลวงปู่หลวงพ่อท่านใดมาก่อนเลยคนส่วนใหญ่รู้จักแต่หลวงตามหาบัวผ่านข่าวบริจาคทองบ้างข่าวคุณทองก้อนบ้างนี่พูดถึงชาวบ้านทั่วไปจริงๆนะครับไม่เกี่ยวกับชาววัดหรือชาวใกล้วัด แต่พอคําสอนของหลวงพ่อปราโมทเริ่มกระจายไปครูบาอาจารย์ต่างๆที่หลวงพ่อปราโมทอ้างถึงก็กลายเป็นที่รู้จักมีคนไปกราบไหว้ขอรับฟังเทศนาหรือแม้แต่หลวงตามหาบัวที่มีคนคิดปราโมาทกันพอมาศรัทธาหลวงพ่อปราโมทแล้วท่านปรามชี้แจงและแยกแยะอะไรๆให้เข้าใจคนเหล่านั้นก็พากันไปกราบขอขามาขออโหสิกรรมจากท่านหมายเหตุ<ม>ผู้อ่านผมคนหนึ่งนะครับ โจโฉเนี่ยแหละครับที่ศรัทธาหลวงพ่อปราโมทมากและได้รับฟังข้อความคําเทศจากท่านเรื่องหลวงตามหาบัวจนสํานึกได้ที่เคยพราหมทหลวงตามหาบัวและต้องไปกราบขอโอโหสิกรรมต่อหลวงตาและปัจจุบันก็ได้ทํางานถวายหลวงตาในห ล, หลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการเผยแพร่เสียงธรรมหนังสือที่เกี่ยวกับท่านนะครับขอเป็นหนึ่งเสียงหนึ่งพยานที่รับรองได้ว่าผมรู้จักครูบาอาจารย์สายวัดป่าและคําสอนของท่านทั้งหลายด้วยการรู้จักหลวงพ่อปราโมทก่อน ถูกต้องและเป็นจริงอย่างที่คุณดังกลินเขียนไว้ขอเป็นพยานอีกหนึ่งเสียงนะครับเป็นที่ทราบในหมู่สิทธิหลวงปู่ดูลว่าท่านเก็บตัวมากไม่ออกกว้างเลือกสอนเฉพาะคนการที่ท่านจะเป็นที่รู้จักและจดจำสําหรับคนรุ่นหลังก็ต้องอาศัยหมู่สิทธิ์ที่มีเครดิตประจำยุคสมัย ขอให้คำานึงว่าหลวงปู่ดูลกลายเป็นที่เคารพศรัทธาทันทีเมื่อหลวงพ่อปราโมทแจกแจงพระคุณของท่านให้สาธุรสิทธิทราบในทางเดียวกันพระพุทธเจ้าก็จะไม่เป็นที่รู้จักหากกลุ่มสงฆ์ในปัจจุบันไม่มีภาพดีๆออกมาเป็นพยานพุทธคุณขอให้นึกถึงฝรั่งที่ไม่มีคณะสงฆ์ดีๆมาช่วยให้เลื่อมใสเขาก็เอาพระพุทธรูปไปวางพื้นบางทีเอาเศียรพระไปตั้งคู่กับอะไรที่ชาวพุทธสุดทน สรุปคือเราต้องอาศัยชีวิตเป็นๆเนสืบกระแสศรัทธาแทนกันและผมก็อยากชี้ว่าการอ้างถึงครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อปราโมทเป็นการส่งเสริมครูบาอาจารย์ให้โดดเด่นเป็นที่จดจําไม่ใช่อาศัยครูบาอาจารย์หากินกรณีสิทธิ์เก่าของหลวงปู่ดูลที่รู้จักท่านดีนั้นผมขออนุโมทนาแต่ถ้าเราสํารวจตัวอย่างประชากรเอามาทําสถิติกันจะพบว่า เดิมมีชาวพุทธน้อยกว่านี้มากที่รู้จักเคารพจด จ, จาตลอดจนนาคำสอนของหลวงปู่ดูลมาใช้กันเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่อายุไม่ถึง20สิบมากมายรู้จักหลวงปู่ดูลและก็จำรูปร่างหน้าตาท่านได้ด้วยบอกว่าเป็นอาจารย์หลวงพ่อปราโมทซึ่งเป็นอาจารย์ของเขาและพ่อแม่และมันไม่น่าเป็นไปได้ที่เด็กรุ่นใหม่จะหันไปสนใจหลวงปู่ดูลและคาสอนของท่านด้วยตนเอง ไว้นิดนึงด้วยครับว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดขอความกรุณาอย่าฟังจากเสียงเลอเสียงเล่าอ้างอย่าด่วนปักใจเชื่อเพียงเพราะเห็นว่าเขารู้ลึกกว่าเราเพราะผมฟังลหลายๆกระแสที่พูดกันลึกๆนั้นเจ้าตัวก็รับการถ่ายทอดข้อมูลมาผิดๆอยู่ถ้ามีอะไรสําคัญจริงๆก็จะอัปเดตให้ทราบนะครับแต่ฉบับหน้าคงเขียนเรื่องอื่นแล้วที่ต้องรบกวนนี่ฟังเรื่องราวมาสองฉบับก็เพราะท่านท่านที่อ่านทํามะใกล้ตัวอยู่นี้ มีแม่น้อยที่เคารพรักและศรัท ธ, ธาหลวงพ่อปราโมทครับไม่อยากให้รับข่าวลือจนสับสนว่ายังควรมีแก้ใจอ่านต่อดีไหมถ้าชีวิตคุณดีขึ้นถ้าคุณมาหาแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าได้จะมีอะไรดีกว่านี้เล่าหลงชื่อดังตรินมกราคมพุทธศักราช2553 สามารถอ่านประกาศชี้แจงจากส่วนสันติธรรมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาที่โดนกล่าวหาอย่างละเอียดได้ภายในแผ่นซีดีนี้ซึ่งทำเป็นเอกสารไว้แล้วหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์ v ีมุตติ n e t w น็ตเด็บเบตรงส่วนของเว็บบอร์ดนะครับติดตามดาวโหลดธรรมะฟรีอีกมากมายได้ที่โจโจดอทเน j o z h o n e t จเจริญในธรรมครับ อาจคอยส่งผลไร้ไร้าลึกลับนคงสลกทอะไรทดีหรือลนันคือกม ให้ยิ้มและสู้อดทน